ฉันคิดถึงใครสักคนฉันคิดถึงเธอแม้ว่าจะได้พบเธอจะผ่านไปแต่ฉันกจ็จำขึ้นใจ นังก็ไม่หวังเธอเข้าใจแค่รู้ไว้ในหัวใจเสี้ยวนาทีที่ผ่านไปไม่เคยจืดจางหายนานเท่าไรไม่ลบเลือนเรื่องราวเหตุการณ์วันนั้นหนึ่งนาทีที่ฉันจำเธอขึ้นใจ ใจ ฉันจำเธอขึ้นใจเก็บไว้ในใจอยากมี้่ า, านไปปีๆต้องคิดถึงเธอหนึ่งนาทีเท่านั้นที่ได้พบเจอภาพนั้นที่มีต่เธอจือ่จาและไม่มีทางจะลบเรืองไปจากใจ I'm the one who r e e d s y